งานก็จะมาหลายนะคะกับวันที่สิบสามคดือนเจอแล้วก็ับครบเท่าไหร่ครบเวลาเท่านะออเอาการหน้ามาใหม่ขออนุญาตเลยนะาคะเป็นไงสงบดีไหมดีมากๆเป็นขั้าแรก่งปฏิบัติปฏิบัติทอต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำต่อนะอย่าไปทิ้งมันค ง, งไม่ได้อยอเแ่อาสกัก8ปดสิบก็ยังดีเก้าสก็แล้วกัน <c oughs> ผลมันอยู่ที่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติผลก็เกิดถ้าไม่ปฏิบัติผลก็ไม่เกิดการอา่านการฟังนี่เป็นเพียง <c oughs> การศึกษาการดูแนวทางของการปฏิบัติแต่จะให้เกิดผลนี่ต้องปฏิบัติ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 เวลาเขาจากเราไปเขาเสีย อ, อกเสียใจไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปยุ่งของเขาดีกว่าอยู่ของเราคนเดียวหมดปัญหาปัญหาคือเราอดคิดไม่ได้พ อ, อคิดแล้วก็อดอยากไม่ได้คิดถึงเขาก็อยากจะเจอเขาแล้วก็ต้องไปอยู่กับเขาพอไม่ดี พอไม่ได้อยู่ก็เสียใจเหงาว้าเหว่พอไม่หยุดความอยากกันความอยากทำให้เหงาทำให้ว้าเหวเวลาอยู่คนเดียวถ้าหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ใจสงบจะไม่รู้สึกว้าเหวจะไม่รู้สึกเหงาจะรู้สึกสบายอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับหลายคนอยู่หลายคนแล้วเรื่องมาก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 พออยากเราก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้หงุดหงิดลำคาญใจเศร้าสร้อยง้อยเหงาว้าเวแต่ถ้าเราควบคุมความคิดได้อยู่ความคิดได้ก็จะสบายจะไม่มีความรู้สึกห ง, งุดหงิดไม่รู้สึกลาคาญใจยังถ้าไม่รู้จักวิธีหยุดความคิดก็ให้ท่องฟุตโธไป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 เราก็จะไม่ทุกข์วิธีที่จะหยุดก็คือพุทโธพุทโธไปเวลามันเจ็บล้วอย่าไปคิดถึงความเจ็บให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะปล่อยปล่อยแล้วก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บความเจ็บนี้ไม่ร้ายกาเท่ากับความทุกข์ความทุกข์ใจนี่มันรุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกาย ถ้าใจไม่มีความทุกข์ใจแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ใจจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ใจต้องไม่คิดไม่อยากให้ความเจ็บหายไป <established> วิธีที่แม่มันหายไปก็คือเราต้องพุทโธพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วมันก็จะไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไป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 ก็เหมือนกันข้าวของเงินทองก็เหมือนกันไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะไปมันไปกลับไปบ้านเดี๋ยวตอนนี้ขโมยจะขึ้นบ้านขนของไปหมดแล้วก็ได้จะทำไงถ้ากลับไปบ้านเลือบ้านไฟไหมไปถึงบ้านไม่มีเหลืออยู่แล้วจะทำไงทำไงได้ก็ต้องทำใจทำใจยอมว่าออของมันมีมามันก็ต้องมีไป มีเกิดก็ต้องมีดับถ้าคอยเตือนใจสอนใจอย่างนี้เรื่อยๆพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันก็จะได้ร้องอ๋อมันเป็นอย่างนี้เราไปทําอะไรมันไม่ได้เราไปร้องไห้ฟูมไฟก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเราไปเครียดเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรของมันก็ยังต้องเป็นอย่างนี้ของมันอยู่มันก็ต้องมาแล้วก็ต้องไปลืดมาแล้วก็อยู่ยังไม่ไป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 อยากได้อย่างไรอยากมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้เชินพระอาทิตย์นี้เราไปสั่งให้มันหยุดได้ไนหะสั่งให้มันไม่ตกได้นะสั่งให้มันอยู่เหนือศรีศรษะเราทั้งวันได้ปะมันก็ไหลไปมันก็เวียนไปตามเวลาของมันเคลื่อนไปตามเรื่องของมันทำไมเราไม่ไปทุกกับการ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 อยู่กับลาบได้ลาบก็คือเงินทองเงินทองก็มีมามีไปเวลามาก็ดีเวลาไปก็ต้องดีถ้าไม่มันก็มีไปทําไมมีก็เพื่อให้มันไปไม่ใช่มีเงินมาก็เพื่อเอาไปซื้อข้าวซื้อของมันก็ต้องไปเห็นงแต่ว่าให้มันมีพอใช้อย่าไปปล่อยให้มัน ไปมากเกินไปอันไหนยังคุมได้ก็คุมไปเงินทองพอจะคุมไม่ได้ก็คุมไปแต่ถ้ามันเกิดหายไปจริงๆก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องหาใหม่หรือใช้ให้น้อยๆเก็บเงินไว้หลายๆที่อย่าไปเก็บไว้ที่เดียวอฝางไว้ในหลายธนาคารแบ่งไว้เป็นอย่างอื่นบ้างไปซื้อที่ดินบ้างไปซื้อเตกบ้าง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 ใช้มากกว่าที่หาได้ก็เครียดเอาน้าไม่ไม่ใช้เงินเท่าได้สบายไม่มียศได้ก็สบายถ้ามียศก็อยากจะให้มันขึ้นพอไม่ขึ้นก็เครียดพอเวลาถูกปดมันก็เครียดทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับหนามียศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกริ่นกายเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันอย่าไปมีมันดีกว่าอยู่แบบไม่มีราบยศสรรเสริญอยู่แบบไม่มีความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายดีกว่าอยู่แบบไหนถึงจะอยู่แบบไม่มีราบยศสรรเสริญสุขได้ก็ต้องอยู่แบบมีความสงบถ้าเราทําใจให้สงบได้ก็คุมความอยากได้ เราก็ไม่ต้องมีลาบยศสารเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ําแล้วซ้ําอีกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่รู้กี่ล้านครั้งแนละ้วเพราะเรายังอยากจะมีความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายกันอยู่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 ถ้าเดี๋ยวร่างกายก็แก่เจ็บตายไปก็กลับมาเกิดใหม่อีกวนอยู่อย่างเงี้ยทํายูอย่างงี้มาทุกกรรมมาทุกทุกภพกทุกชาติเพราะมันไม่ได้สุขตลอดเวลาเวลาเสียรูปเสียงกิ่นลัดไปก็ร้องหยงร้องไห้กันอเวลาเสียแฟนไปก็ร้องหยงร้องไห้กันเนี่ย ถ้าเราไม่อยากจะทุกกับเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเราก็ต้องมาอยู่แบบไม่มีราบยศสรรเสริญอยู่แบบไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสวิธีที่อยู่แบบนี้ได้ก็ต้องมาฝึกจิตมาฝึกสติสร้างพุทโธพุทโธขึ้นมาหยุดความคิดหยุดความอยากพอใจสงบแล้วใจก็มีความสุข ก็ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิดนด่นรสอยู่แบบนี้สบายกว่าเพราะเราสามารถที่จะสร้างความสงบได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีร่างกายขอให้มีสติเท่านั้นเองขอให้มีพุทโธเท่านั้นเองพุทโธพุทโธไป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 วิธีดับก็คือต้องหยุดความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วความหงุดกงิดลำคาญใจความเศร้าซ้อยง่อยเหงาความว้าเวความวุ่นวายใจต่างๆจะหายไปหมดใจจะเย็นใจจะสบายนี่คือเรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติสติสมาธิปัญญาพุโทโธพุทโธไปแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิ แล้วต่อไปพอมีมีสมาธิแล้วก็สอนใจว่าอย่าไปยุ่งกับอะไรให้อยู่กับสมาธิดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอย่าไปอยากได้ลาบยศสรเสริญอย่าไปอยากได้ความสุขทางต า, า, าหูจมูกนิ้วกายเพราะได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียอกเสียใจเพราะสิ่งที่ได้มามันเป็นของไม่ถาวรเป็นของชั่วคราว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 ความคิดมาแล้วความอยากมากแล้วเห็นต้องใช้พุโทโธอยู่เรื่อยเลยใช้เฝ้าดูการกระทาของร่างกายอยู่เรื่อยอย่าส่งใจไปกับความคิดต่างๆแล้วพอไม่คิดใจก็เบาสบายเยน็นมีความสุขไม่วุ่นวายนี่ใครอยากจะถามอะไรไหม จะให้ถามเร้เลยๆไหมครับอาจารย์ถ้ามีคําถามอถามมาเรื่อยๆเพราะมันจอย่าพูดอะไรนะครการนวัยสการพระอาจารย์ท่องพุทโธพุทโธนี้เป็นไม่ต้องกําหนดลมหายใจใช่ไม่หมไม่ต้องพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้เลยใช่ไหมตลอดเวลาไม่ต้องไปสนใจลมหายใจนอกจากเวลานั่งสมาธิจะจะท่องพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะเปลี่ยนมาดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้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 ต้องหยุดความคิดด้วยสติจะใช้พุโทโธก็ได้จะใช้การเฝ้าดูการทำงานของร่างกายก็ได้ถ้านั่งก็ดูลมหายใจไปก็ได้หรือจะผ ส, ผสมสองอย่างก็ได้พุทเข้าโรออกก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดทำอย่างไรที่ทำให้มันไม่คิดได้ก็ใช้ได้วิธีไหนก็ได้อ่า มีคำถามเข้ามาแล้วใช่ไหมมีครับถามได้เลยคำถามจากคุณมีศักนะครับจาก Facebook Live นะครับค<ม>ารว่าถือศีลอุโบสถตลอดชีวิตอยากมุ่งสู่หนทางนิพพานมิทราบว่าพอมีหนทางได้หรือไม่ครับก็มีก็การถือศีลอุโบสถเรือศีลแปดนี่ก็เพื่อที่จะทำให้เราตัดการหา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 เดินจงกรมนั่งสมาธิมาพุโทโธพุโทโธอ่นั่งสมาธิเห็นผู้ที่จะปฏิบัติต้องรักษาสีแปให้ได้พอรักษาสีแปได้แต่ศีแปดอย่างเดียวก็ไปไม่ถึงนิพพานได้สีลปแล้วก็ต้องมาฝึกสติมาพุโทโธพุโทโธกันมาหยุดความคิดกันพอหยุดความคิดได้ก็จะได้สมาธิสมาธิก็ยังไปไม่ถึงนิพพาน จะให้ไปถึงนิพพานต้องไปถึงขั้นปัญญาต้องสอนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งอย่าไปอยากกับมันอย่าไปอยากได้มันอย่าไปอยากมีอย่าไปอยากเป็นอ๋อไม่มีความอยากเหล่านี้แล้วมันก็จะถึงนิพพานได้เนี่ยมันเป็นขั้นข้นขั้นศีลสมาธิปัญญาสามขั้นขั้นต้นกรมารักษาศีลแปดให้ได้ก่อน ศีลแปยังไม่ได้ก็เอาศีล5้าก่อนพอได้ศีลหแล้วก็ขยับขึ้นศีล8ปดศีล8ก็ทําวันที่เราไม่ต้องไปทํางานวันหยุดงานเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้พอเราปฏิบัติวันหนึ่งได้แล้วก็อาทิตยะวันต่อไปอาจจะเพิ่มเป็นอาทิตย์ละ2วัน3วันไปถ้าปฏิบัติแล้วมันได้ผลดีมีความสุขมากขึ้นมันก็อยากจะปฏิบัติของมันไปเอง ไม่ต้องมีใครมาสั่งมันรู้เองว่าอ๋อปฏิบัติแล้วมันดีอย่างนี้มันก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็ไปอยู่วัดครั้งละเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้าง เ, าเดือนหนึ่งบ้างพรรษาหนึ่งบ้างามันก็จ ะ, ะขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว เ, เดี๋ยวก็ไปอยู่วัดตลอดไปเป็นพระเป็นชีกันสบายาไม่ต้องหาเงินไม่ต้องหาลาบยศสรรเสริญ ไม่ต้องหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเรามีความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าไม่มีวันผิดหวังไม่มีวันเสีย อ, อกเสียใจถ้าไปหาลาบยศสรรเสริญหาคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเวลาเขาจากเราไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจร้องโหงลร้องไห้คำถามจะคุณพาดานะครับสภาวะธรรมที่เกิด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 อเดี๋ยวถ้าเขาชมเราแล้ว เ, เดี๋ยววันไหนก็ไม่ชมเ ร, เ, เ, เ, าา เ, รเราก็จะเสียใจถ้าเขาด่าเราเราก็จะเสียใจเหตุเราต้องหัดทำใจให้รู้เฉยเฉยอย่าไปรักไปชังถ้ามันไม่เฉยก็พุทดโธพุทธโธไปเดี๋ยวมันก็เฉยพุโทโธเนี่ยเป็นตัวที่จะดึงใจให้เฉยให้นิ่งให้สงบคำถามจากคุณตัวนะครับ การเจริญภาวนากับการกำหนดพุโทโธนี่คือเรื่องเดียวกันใช่หรือไม่คะคือลูกยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าเจริญภาวนาคือการภาวนานี่เป็นคำรวมแปลว่าการพัฒนาจิตใจมีอยู่สองขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถะภาวนาทาใจให้สงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาทาใจให้ฉลาด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 มันก็จะไม่อยากได้อะไระคำถามจากคุณแคสนะครับจิตเสื่อมคืออะไรคะก็เสื่อมจากสมาธิเองก็จิตเสื่อมเคยสงบแล้วไม่ไม่สงบก็เรียกว่าจิตเสื่อมถ้าอยากจะให้มันเจริญก็พุโทโธขึ้นมาใหม่พอเราพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวมันก็จเจริญมันก็จะไม่เสื่อม แต่ถ้าเราเผลอเราหยุดพุดโทโธเดี๋ยวมันก็เสื่อมนี่นเราต้องรักษามันด้วยสติด้วยพุโทโธคำถามจากคุณออยนะครับสุนักที่บ้านป่วยรู้สึกสงสารดูแล้วเขาคงเจ็บปวดถ้าจะปล่อยให้เขาสิ้นลมไปเองกับแบบฉีดยาให้เขาสิ้นเลย <S <S 2> <S 2> จะได้ไม่ทรมานกายเขาจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวหรือไม่เจ้าคะมอนไม่ทัด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 แต่คุณมีแต่วันนี้นะครับซื้อหนังสือสติปัฏฐานสี่มาสิบห้าปีแต่อ่านไปได้แค่สิบหน้าถ้าจะปฏิบัติกรรมฐานตามหนังสือนี้จะสามารถเรียนกรรมฐานได้ด้วยตัวเองไหมคะได้ถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจเพราะมันเป็นเหมือนกับเ อ, อคู่มือขับรถอย่างเงี้ยถ้าเราขับรถไม่เป็นเราเปิดหนังสือมาเปิดดูเขาแนะสอนวิธี ขับรถขับยังไงแล้วเราสามารถทําตามที่เขาสอนได้เราก็ขับได้มันเป็นคู่มือสติปัฏฐานสี่นี้เป็นคู่มือของการเจริญวิปัสสนาเจริญสมถภ า, ภาวนาและ ว, วิปัสสนาภาวนาเจริญสติถ้าใครอ่านแล้วเข้าใจก็สามารถปฏิบัติได้เลยคําถามจะคุณกอรวีเมื่อเช้าหนูทําสมาธิท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธใจรวม แต่หนูเห็นเหมือนอุโมงค์เล็กๆปลายอุโมงค์เห็นแสงสว่างอยู่ไกลมากๆจิตหนูอยากจะออกไปทางนั้นแต่อีกจิตหนึ่งบอกอย่าไปชักกระเยอะกันอยู่นานเพราะจิตบอกว่าไม่อยากเป็นสมาธิอุปจารสมาธิและหนูดึงจิตกลับไปได้กลับมาได้หนูก็เลยออกจากสมาธิหนูอยากถามว่าแล้วจะทำอย่างไรต่อคะ นั่งสมาธิต่อหรือพุโทโธพุโทโธต่อครับเพราะหนูอยากได้สมาธิ<ม>แบบนี้แล้วหนูกลัวก็ให้พุโทโธไปอย่าไปมองเห็นอย่าไปดูอุโมงอย่าไปดูอะไร<ม>พอจะไปดูอะไรหนึ่งมันกลับมาที่พุโทโธแสดงว่าเราเผลอแล้ว<ม>เราไม่อยู่กับพุโทโธแล้วเราไม่อยู่กับพุโทโธเดี๋ยวมันก็คิดวุ่นวายไปหมดภา<ม>วนาแล้วอย่าหยุดพุดโทโธ จะหยุดก็ต่อเมื่อจิตมันตกหลุมตกบ่อแล้วนิ่งตอนนั้นนะถึงจะมันก็จะหยุดเขามันโดยอัอตโนมัติแต่มันจะว่างมันจะไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็นคําถามจากคุณตุ๊กตาไม้นะครับพอดีว่าทะเลาะกับแฟนบ่อยมากแล้วก็กลับไปดีกันเหมือนเดิมตอนนี้เบื่อมากเลยทําอย่างไรจะเลิกได้คะ ตอนนี้อ ย, อยากอยู่คนเดียวมากแต่พอเขามางอ้อใจก็อ่อนกลับไปเหมือนเดิมก็ใช้พุทโทเสีเวลากาลังง้อก็พูดโทพุดโทไปอย่าไปสนใจให้นึกถึงความทุกข์ที่เวลาทะเลาะกันไม่เข็ดเนี่ยมันเจ็บแล้วไม่จำมันก็อย่างนี้แหละคำถามจะคุณการวัตถุมงคล สามารถช่วยเราให้สมปรารถนาหรือป้องกันภัยต่างๆได้หรือเปล่าครับหรือว่าเราควรหยุดเชื่อเรื่องวัตถุมงคลหันมาปฏิบัติรักษาใจแทนอ่านั่นแหละถูกแล้ววัตถวัตถุมงคลมันทำอะไรไม่ได้รอกทำได้ป่านนี้ก็เป็นเศรษฐีกันทุกคนนะได้ อ, อยู่กันไปแบบไม่มีวันตายนะมันไม่มันไม่มีอะไรมันความเชื่อเฉยๆมันไม่ใช่เป็นความจริง สมัยพระพุทธการก็มีพระรูปหนึ่งก็แกะสลักรูปของพระพุทธเจ้ามาถวายมาให้พระพุทธเจ้าดูว่านี่เขาแกะสลักรูปนี้ไว้เพื่อจะได้เอาไว้บูชาไว้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยไม่ใช่เราสิ่งที่สิ่งนั้นไม่สามารถคุ้มครองอะไรเธอได้สิ่งที่จะคุ้มครองเธอก็คือธรรมการปฏิบัติธรรมเพราะเมื่อเธอปฏิบัติธรรมแล้วใจของเธอจะไม่มีอะไรมาทาลายได้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 คำถามจะคุณกูณวิธีการที่จะเข้าไปถึงความรู้สึกว่าไม่มีสิ่งต่างๆมีลําดับขั้นตอนอย่างไรบ้างคะก็พุโทโธนี่แหละพุโทโธไปทั้งวันแล้วมีเวลาว่างก็นั่งเฉยๆแล้วก็พุโทโธไปจนกว่ามันจะตกลุมตกบอ่อวุบลงไปแล้วมันก็จะไปเจอความว่างความไม่มีอะไรคําถามจะคุณเมลภัส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 มันก็ป้องกันไม่ให้เราไปคิดถึงขนมนมเนยไม่ให้คิดถึงราบยศสารเสริญนะฮพอมันคิดเรื่องนี้มันก็ไปคิดเรื่องนั้นไม่ได้จะมณาพุทธะจะสัมมา阿拉หังจะพุทธังสรารนังกาฉามิจะสวดอิติปิโสก็เป็นอุบายอันเดียวกันเป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอเราไม่คิดมันก็จะไม่มีความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ มันก็จะอยู่เฉยๆได้แต่ถ้าไม่ไม่ให้มันมีทำอะไรเดี๋ยวมันก็คิดถึงเพื่อนละคิดถึงอะไเดี๋ยวก็กดดูลายละมีใครส่งมาหรือยังเดี๋ยวก็ดูแล้วว่าถึงเวลาเขาต้องส่งอะไรมาให้เราหรือยังพอไม่ส่งก็เครียดอีกเดี๋ยวทนไม่ได้ก็ต้องส่งไปถามว่าเป็นยังไงมันก็เลยวุ่นวายไปกับความคิดของเราเนี่ย แต่ถ้าเราพูดโท้พูดโท้เราก็ทุกอย่างก็เราก็ปล่อยหมดอยู่กับความว่างได้คําถามจะคุณวรุตทําอย่างไรครับที่จะทําสมาธิได้นานๆก็ทํำเลยมันไม่ทําเองเวลาดูหนังไม่น้้องถามเลยดูหนังก็ดูใช่หมไหมดูก็ดูได้นานจะดูกีิ่นเรื่องก็ดูได้ไม่น้นถามเลย พอจะนั่งสมาธิมาถามว่าทาไงนั่งสมาธิได้นาก็นั่งไปเลยนี่นั่งพุโทโธไปมันก็นั่งได้นานหนึงอ่ะมันไม่นั่งพุโทโธเนี่ยนั่งแล้วมันคิดกันคิดปับ๊บเดี๋ยวก็ไปคิดถึงวิดีโอเข้านะก็เลยไปปล่อยวิดีโอดูแทนที่มันนั่งพุโทโธต่ออก็อย่าไปคิดเลยนี่ยนั่งแล้วมันต้องอยากคิดให้มันอยู่กับพุโทโธอยู่กับสัมมา阿拉หังอยู่กับหน้าโมพัทธะหรืออะไรแล้วแต่อยู่กับ บ, บทสวดมนต์ก็ได้น ถ้ามันไม่คิดถึงขนมนมเนยมันก็ไม่ไปหาขนมนมเนยถ้าไม่คิดถึงแฟนมันก็ไม่ไปหาแฟนถ้าไม่ไปคิดถึงที่ท่องเที่ยวมันก็ไม่ไปท่องเที่ยวแต่พอมันคิดปั๊บมันไปเลยมันอยากเลยไอ้ม่พอเปิดทีวีเห็นก็โฆษณาที่นั้นที่นี้ก็โหอดน้าลายไหลแลยไหลย้ลยยอยออกมเ น, นี่เราต้องปิดตาหูจมูกแล้วปิดความคิดอย่าไปรับรู้ทางตาหูจมูกก็ สมัยนี้มันมีแต่ของมาล่อกิเลสเราทั้งนั้นเนี่ยไอ้ไม่ไมขับรถไปข้ามถนนนี้ป้ายเต็มไปหมดเลยนะป้ายล่อเราให้ซื้อนู่นซื้อนี่อพอเสียงก็มีแต่เสียงโฆษณาชวนเชื่อชวนซื้ อ, อนู่นซื้อนี่ไปหมดเต็มไปหมดถึงต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงเิ่นรถแล้วก็ยังไม่พอต้องหยุดความคิดขนาดไปอยู่คนเดียวในป่ามันยังคิดถึงขนมนมเนยได้คิดถึงอะไรได้ ก็ต้องหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดแล้วมันก็อยู่ได้สงบสบายมีความสุขไหมก็ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขคําถามจะคุณมนตรีจิตรวมยากทําอย่างไรดีครับก็นั่นแหละก็ต้องใช้พุโทโธต้องสร้างสติให้มากๆให้ใจนี้ไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าอยู่กับพุโทโธสัก5นาที10บนาทีนี่มันรวมนะ ทำได้ไหมลองพุโทโธอย่างนี้หนาทนีไม่ไปคิดอะไรเลยคำสาคำถามจะคุณสุดสุดธมานะครับขณะนั่งภาวนาสักพักเหมือนมีแมลงไต่เข้าไปในใบหูจึงเอามือปัดปรากฏว่าไม่มีตัวอะไรคุณทำอย่างไรต่อเจ้าคะให้อยู่กับพุโทโธงอย่าไปสนใจเวลาภาวนาแล้วมีอะไรมามาปรากฏให้เรารับรู้ เราอย่าไปสนใจมันเป็นของปลอมทั้งนั้นเป็นมายามาหลอกให้เราเสียสมาธิมาหลอกให้เราหยุดพุทธโธเงีนะ่นไม่ว่าจะมีอะไรมามีแสงมีอูโมงมีอะไรมีมะแรงมีตัวเราพองตัวเราลอยตัวเราหาะเรืออะไรมันอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวบางทีพอพุทธโธแล้ว เ, เดี๋ยวก็คันตรงนั้นคันตรงนี้ขึ้นมาบางคนก็น้ำลายจะเต็มปากน้อนปากขึ้นมา มันมีแต่เรื่องมาหลอกให้เราเสียสมาธิกันอย่าไปสนใจอย่าไปรับรู้ให้กลับมาอยู่ที่พุทธโธพุทธโธไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ไปสนใจมันแล้เดี๋ยวมันก็หายไปคำถามจะคุณพิเชษจิตตัวผู้รู้คือพุทธใช่ไหมครับปัญญาศีนภาวนาปัญญาสมาธิใช่ไหมครับ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 ถ้าคิดมันก็จะเกิดความรักความชังขึ้นมาถ้าไม่คิดมันก็จะรู้เฉยๆนี่นเราต้องฝึกจิตให้อยู่กับผู้รู้อย่าไปอยู่กับผู้คิดเวลาใครเขาดา่าก็อย่าไปคิดว่าเขาด่าเราคิดว่าเขาชมเราก็ได้หรือให้รู้เฉยๆว่าเป็นเสียงมาแล้วเสียงมันกระทบกับหูแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วจบไปแล้วแต่เรายังเอามาคิดต่อใช่ไหมโอยเข้าดา่าเราเนี่ยว่าเสียอกเสียใจขึ้นมาะ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 แล้วดีอย่างไรคำถามจากคุณขันติพงมีคนบอกว่าใจเป็นผู้รู้จิตเป็นตัวคิดจริงไหมครับก็เป็นเป็นคำใช้ศัพท์เนี่ยเราใช้เวลาคิดเรามาักจะเรียกว่าจิตเวลารู้เราก็มักจะเรียกว่าใจแต่มันก็เป็นเป็นตัวเดียวกันน่ะเป็น ม, มีสองด้านด้านคิดกับด้านรู้ เนร่างกายเราก็มีหลายด้านมีด้านหน้าด้านหลังด้านล่างด้านบนอะไรอย่างนี้นั้นก็อยู่ในตัวเดียวกันนั่นแหละจิตกับใจมันก็อยู่ตัวเดียวกันนั่นแหะเพียงแต่เราแบ่งแยกมันว่าเวลามันคิดเราก็เรียกว่ามันจิตเวลามันไม่คิดมันหยุดมันรู้เฉยๆก็เรียกว่าใจคําถามจากคุณจินนี่หนูเป็นภูมิแพ้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 แต่ถ้ามันไหลเฉพาะเวลานั่งสมาธิก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสมันหลอกเรามันสร้างให้มันหลอกให้เราปล่อยให้มันไหลออกมาเราก็ปล่อยมันไปเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดไหลเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันคำถามจากคุณอัญญานังนะครับการภาวนาจะช่วยไล่มนดำในตัวเราได้ไหมเจ้าคะ มลดำมลแดงมั น, มนไม่มีหรอกมีแต่โลภโกรธหลงมีกัลกิเลสตัณหาอตัวที่ทําให้จิตใจเรามืดค้บก็เพราะความโลภความโกรธความหลงนี่เองพอเรากําจัดมันได้ใจก็ใสสว่างคําถามจะคุณอัจฉิจังทุกขังอนัตตานะครับลูกน้อมเอาคําพุโทโธมาไว้กลางอกถูกไหมคะเไม่ต้องไว้ตรงกลางหรอกเรา อยู่กับพุทธโธนะ่ะอยู่แต่คาพุทธคำว่านั่นแหละไม่ต้องไปง้อมไปวางไว้ตรงไหนให้ท่องพุทธโธพุทธโธไปอยู่กับคำพุทธโธนั่นแหละไม่ต้องจะเอาพุทธโธมาตั้งที่ อ, อกหรือตั้งที่ลมหายใจให้มันพุทธโธพุทธโธไปเพื่อไม่ให้มันคิดเท่านั้นแหละคำถามจากคุณพียกุลพีชกคุลนะครับหนูชอบสวดมนต์ทุกวัน แต่หนูเห็นผีและชอบฝันเห็นน้ำควรทำอย่างไรดีคะคือตอนแรกคิดว่าจะหยุดสวดมนต์ดีไหมเพราะว่ากลัวเจอประจําเลยเวลาเห็นผีนี่เห็นอะไรนี่ เ, นเวลาเป็นเวลานอนนะเนว่าเวลานอนหลับเน่าเวลานสวดมนต์ครับพอาจารย์สวดมนต์แล้วก็เห็นเหรอครับก็อย่าไปสนใจก็สวดไปเรื่อยอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เราเห็นให้อยู่กับบทสวดมนต์ไป คำถามจะคุณศิริวันการนวดให้แม่เราสามารถเอามาพิจารณาได้ใช่หรือเปล่าคะเพราะจะเจอซี่โครงตอนเราบีบนวดไปคะ่ะได้ถ้าเรากำลังกาลังนวดซากศพก็ได้คิดวี้งกำลังนว ด, า ด, ด, อ, อ, นวดอาการ32มีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรก็ว่าไปคำถามจะคุณลักดา ซื้อลอตเตอรี่เป็นบาปไหมคะถ้าไม่ได้ไปขโมยเงินเข้าบัานซื้อก็ไม่บาปนะคำถามทะคุณกรวีถามต่ อ, อคือว่าหนูเคยได้อุปจารสมาธิค่ะจิตออกไปสัมผัสสิ่งต่างๆในโลกทิพย์แสดงว่าไม่มีสติใช่ไหมค ะ, ะทำอย่างไรถึงจะได้สมาธิแบบอัปปนาค่ะจิตหนูมันชอบออกค่ะ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 เราเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้มันก็ไม่ไปคิดถึงขนมนมเนยมันก็ไม่ไปหานาำรูปนาำรูปก็คือขนมนมเนยเนี่ยหรือรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญเนี่ยพอพอไปสัมผัสมันเกิดเวทนาเกิดสุขขึ้นมามันก็เกิดอุปทานเกิดตัณหาขึ้นมามันก็เกิดภพเกิดชาติตามมาถึงสอนบอกให้หยุดความคิดนี่ไงถ้าหยุดความคิดแล้วทุกอย่างมันก็จะจบเดี๋ยวถ้า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 อยู่ที่วัดไหนนะอยู่ที่วัดทกสะอาดอยู่อัดทิชชูจังหวัดสกลนครมาพักบ้านบาแบบสิอะไรในคืนมาทำธุระอะไรกระถิ่นนะไม่ได้มงมอ่ะไม่ได้มงมแต่จะที่บัานมีผ้าเยอะไหมเจ็ดลูกครับ เจ็ดลูกะเป็นัวหน้าเลยครับสม บ, บัตเป็นวัดป่าแล้วเป็นวัดอะไรก็เป็นวัดป่าวัดป่าเนี่ยนะหลวงปู่ชาเป็นสาขาบ่าบเป็นสาขาน้องปอเพิ่งเหรออาจารย์ทองจำขึ้นไปอยู่ที่ทำบ่ทอกไม่เหรออือ มีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าก็แล้วแต่จะปวดรื้ อ, อ, อคงไม่ต้องปวดนมะังเอามาผ้ามาขายสวยนะพ้ากับผ้าก็รู้กันอยู่แล้วก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วสีนสมาธิปัญญาก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วบวชมานงานขนาดนี้แล้วไม่ต้องสอนแล้ว นอกจากมีอะไรสงสัยห้องใจอะไรก็ถามถามได้ถามได้เลยครับเอา ม, มาใกล้ๆได้เลยครับเอาหนังสือไปก็ได้นะมีหนังสือซีดีแจกมัมใกล้ๆเลยครับหยิบไปได้หยิบตามสบาย <c oughs> เลยเอาไปเฉพาะอ่านก็แล้วกันนะอย่าไปแจกเพราะไม่พอปกติก็ได้ดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ผ่านยในมุมทูแล้วก็ไลฟ์วิดีโอค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาทำในแถวนี้เลอก็พาพระอาจารย์มาบ้านอยู่แถวนี้เลอนู่นค่ะอยู่กรุงเทพกรุงเทพอ่มิมนท่านมาทำบุญท่านมาไกลนะท่านอาสามาโปรดเมตตาะ แล้วที่มีที่พักให้ท่านีพักเลยว่าท่านที่บ้านมีที่พักสําหรับพระพักได้สร้างที่พักให้พระพักได้ดีบางทีพระจากต่างจังหวัดเข้าเมืองก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพรา ะ, ะตามว่าเขาก็จะแน่นเขาก็ยังบางทีญายิโยมเขาก็มีบ้านเขาก็ รู้สึกมีคนอะไรนามสกุลนามซ้ํกายก็มีบ้านถวายพระชาวต่างประเทศนู้นสายลงหลวงปู่ชายนะีเวลาเข้ามากรุงเทพมาต่อวีซา่ามาทําอะไรเขาก็มีหนุนให้นั่งไปพักที่บ้านะแล้วก็ชวนญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญ น, นะ น, น, นานจะได้มีโอกาสฟังธรรมของพระป่าธรรมของพระป่านี่ไม่เหมือนกับธรรมของพระบ้านนะ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 ฟังแล้วไม่เอาไปปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าฟังแล้วเอาไปปฏิบัติได้มันก็เข้าถึงใจได้ฟังแล้วก็ไปพุทธโธพุทธโธไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบเนี่ยมันก็เข้าข้างในได้พอเข้าข้างในได้ก็ใช้ปัญญาฆ่ากิเลสได้ยังต้องพยายามปฏิบัตินะเอาสติเอาพุทธโธเอาสมาธิให้ได้ก่อน ปัญญานี้เรามีกันเยอะแยะแล้วฟังกันหูฉีกแล้วแต่ยังเอาไปฆ่ากิเลสไม่ได้เพราะไม่มีกําลังยังเข้าไปไม่ถึงตัวมันต้องเข้าไปให้ถึงตัวมันแล้วก็ปัญญาหุตเจ้านี้มาฆ่ามันได้ยิ่งตอนนี้พยายามฝึกสติให้มากๆนั่งสมาธิให้มากๆให้จิตรวมไม่ได้ถ้าจิตรวมมันที่นี้เข้าถึงตัวกิเลสแล้ว ตอนนั้นก็เอาธรรมะของมุตตะเจ้ามาข้ามันได้เ อ, อันนี้จังทุกขังอนัตตาเอาอาสุภะนี่มาข้ามันได้นะอ่าสั้นๆแค่นี้นะใช่ครนับก็พอพ อ, พออยู่ได้พอเป็นพอไปยังไม่มีปัญหาเลยกินได้นอนหลับนี่ยังรับกรรมเสร็จแล อ๋อไม่ได้มันตีบตันนะกี่เส้นนะนึ่งเส้นไปนำบอลูนะครับสลบไปสอบชมมงอโชคดีไปทันไงก็ฟื้นขึ้นมาขึ้นมาดับหัวใจไปโฮ่ไปโฮ่เลือดสั่งอ๋อเดี๋ยวทาใจสงบหนงตาท่านก็เคยเป็นจิตหัวใจท่านจะหยุดเต้นท่านก็ เราจะเ น, นี่ยทายิ่งขึ้นไปนะที่นี่สงบมากเลยนอเนี่ยค่ะทำขึ้นมาสวยสเป็นของป่าไม้เขากานแม่คนก็านมาพวกกลาอโครงการของในหลวงในหลวงเป็นคนสั่งให้ทำเพราะสมัยนั้นสมเด็จพระสังฆราชท่านชอบขึ้นมาภาวนาบนเขาเ่ยในหลวงอะไรบอกให้ให้ ป่าไม้มารักษาบริเวณไม่ให้คนมามาบุกลุกให้เป็นที่ภาวนาของพระไปะสาธุเนี่ยปูนิมนต์บำรุธาตุันเรื่อเช่นกันจะถึงธรรมชาติอขออยู่ไปนานๆานด้วยกันน ะ, ะ <c oughs> จะได้ช่วยกัน <c oughs> นน เ, เป็นเจตสิกใช่ไหมจ๊ะค่ะไม่เป็นความคิดปรุงแต่งเนยสังขารในขันห้านะในในขันสนะีนามขันเนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นเป็นสังขารตัวเดียวกับการกับในขันห้าสังขารความคิดปรุงแต่งเนยเราแต่เพิ่มาพูดโทยุดมันนด้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราเราเร า, เราภาวนาไปและจิตเราเรามีความตั้งมั่นและเห็นเห็นการกระจายของขัน ทังห้าขันนี้นะคจ้าคะแล้วมันเหมือนถ้าเกิดหนุวูวงวงวงอยู่บนกระดาษข า, ขาวๆเจ้าคะอันนี้ก็เป็นขันนึงอันนี้ก็เป็นขันหนึงอ่าไม่เวลาปฏิบัติเราไม่ไม่ต้องการดูอย่างนันเวลาปฏิบัติเราต้องการให้จิตสงบให้มันว่างไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไระเออไม่ต้องเห็นอะไรและอะไรขุดขึ้นมาแล้วคะก็อย่าไปสนใจมันให้ใ ห, ให้หยุดสังขารไปเราจะต้อง รู้ไหมคะว่าเราไม่ต้องวิพากษ์วิจารอะไไม่ต้องอะไรั้นนตอนนี้ต้องการเนี่หยุดทุกอย่างเหมือนปิดปิดแอร์เนี่ยปิดเครื่องดับเครื่องอไม่ต้องไปสนใจอะไรโผล่ขึ้นมาก็ให้อยู่กับพุทธโธไปคือคือไม่ต้องสนใจก็อยู่อยู่กับพุทธโธเท่านั้นเอออย่างเดียวไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งมันตกหลุมตกบ่แล้วมันนิ่งสงบทุกอย่างหยุดปวดท้ายให้หมดหรือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วแต่ตัวรู้ อันนั้นเราได้สมาธิแล้วได้อัปปนาสมาธิได้อุเบกขาแนละ้วพอเราได้อันนี้เราจะมีความสุขเราจะมีความอิ่มใจเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขใจอิ่มใจชั่วคราวขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญามารักษาเหมือนเวลาออกจากสมาธิมาพอมันจะไปคิดเราก็ใช้ปัญญาให้มันคิดไปในทางที่ไม่อยากเวลาสมมุติ ว, ว่ามันมันมันมันผุดขึ้นมาตัวตัวที่ มาตัวแรกเนี่ยเจ้าค่ะยังไม่มีเราใช่ไหมเจ้าค่ะมันเราไม่มี้องก็แล้วแต่มัน่ะไม่จะไปสนใจมันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวะตรงนั้นมันอยู่ตรงที่ของที่เราไปอยากได้เท่านั้นอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราพอออกจากสมาธิมาปุ๊บพอเขพออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องสนใจ ก็สนใจถ้ามันคิดว่าอยากจะได้แฟนก็ต้องไปสอนมันว่าอย่าไปเอาแฟนมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราแฟนมันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราววันดีคืนดีก็เป็นของคนอื่นไปให้สอนอย่างี้มันจะได้หยุดความอยากไปมีแฟนพออยากจะได้แล้วก็สอนมันว่าอย่าไปอย่าไปอยากเพราะมันเป็นทุกข์เพราะเดี๋ยวมันต้องจากเราไปเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไห้อยู่กับพุทโธแล้วก็ว้างๆอยูยนั้คือถ้ามันอันั้นมันถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ต้องพุทโธแล้วมันจะมันจะใช้ปัญญาคอยหยุดความอยากอย่างเดียวสมมุติว่ามันการที่ผลขึ้นมาเนี่ยเป็นความนึกคิดในทางอกุศลก็หยุดมันก็พุทโธพุทโธไปอันนี้เรียกว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนยับยั้งจิตแล้ะเปลี่ยนจิตได้ป่ะเจ้าคะเจ้านี่ยัไงก็หยุดความคิดนั่นแหละจะไปหยุดความคิดที่ไม่ดี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 หยุดมันดีกว่าใช้พุทโธดีกว่าหยุดมันนอกจากถ้าไหวมันเกิดปั๊บดับไปได้เราไม่ไปยุ่งกับมันก็ได้แต่กลัวมันจะไม่อย่างนั้นเลกลัวมันจะทําให้เราทุกข์ไปกับทุกข์เราไปวุ่นวายไปกับมันถ้าทุถ้าทุกข์วุ่นวายก็หยุดมันก่อนดีกว่าอพุทโธพุทโธไปก่อนเงั้นแสดงว่าหลวงพ่อกําลังจะสอนสอนว่าถ้าสติเราไม่มีกําลังของของปัน มาที่ไม่ตั้งมาและปัญญาไม่เข้มแข็งพอนี่ให้อยู่กับพุทโธก่อนอใช่จนกว่าเราจะพร้อมที่ว่าจะมีปล่อยวางได้ทุกอย่างเห็นแล้วก็ปล่อยวางได้ก็ไม่ต้องพุทโธแล้วอถ้าสั่งจะทำเองมันจะตโนมัติมันจะปล่อยมันจะเฉยคิดชั่วมันก็ดับคิดดีมันก็ดับแล้วมันก็ผ่านไปเพราะว่าหนูหนูมีปกติที่เป็นทุกข์กับความนึกคิดเนี่ยแหละเจ้าค่ะพอมันพอมันผุดขึ้นมาปุ๊บหนูหนูก็เหมือนกับเป็น กระบืออยู่ในอยู่ในโคนเลยเจ้าค่ะก็ติดเนบเลยมันม er ันมันมันพาหนูไปโดยที่ไม่รู้ตัวกระจรู้ตัวก็ซ้ายไปซะแล้วอาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วต้องกลับหมดแรงแล้วเข้าใจแล้วคหยุดมันดีกว่าพูดโธพูดโธรไปก่อนอาจหยุดความคิดให้ได้ก่อนแล้วทคันต่อไปก็คิดแต่ทางปัญญาคิดว่าทุกอย่างไม่ว่าจะดีแล้วเชื่อมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับ ไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้รู้เฉยๆถ้ามีสติแล้วมันจะรู้เฉยๆมันจะไม่ไปตามตามติดตามกับไปยุ่งกับความคิดต่างๆอนนี้มันไม่พอมันมาชวนเราก็มันคุยกับเราเราก็คุยกับมันเลยใช่ไหมเราไม่เห็นว่ามันเป็นเราและเราก็ไม่คือเราไม่มีอะไรตรงไหนใด้ทั้งสิ้นนะเ้าเข้าใจแล้วก็ มีคำถามหรอปล่า it. อย่ามาถามตอนที <Hey, enfin ่เลิกประชุมนะคำถามจะคุณสามารถนะครับการเดินปัญญานี้ต้องถอยจิตออกมาจากสมาธิออกมาอยู่ที่ชั้นอุปจาระสมาธิใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอกก็เวลาเราออกจากสมาธิมาเรามาทำอะไรเราก็ใช้ปัญญาไปดิเห็นอะไรก็ว่ามันไม่เที่ยงเห็นขนมก็ว่าไม่เที่ยง เห็นแฟนก็ไม่เที่ยงเห็นเงินก็ไม่เที่ยงให้ใช้ปัญญาในชีวิตจริงในความเป็นจริงไม่ใช่มานั่งหลับตาแล้วคิดไานู่นไม่เที่ยงนี่ไม่เที่ยงแต่พอมาเจอเงินปั๊บกลายเป็นเที่ยงไปหมดเลยเจอคนทรายก่เที่ยงไปหมดเลยมันเอาของจริงเลยฟาดกับมันเลยเออมันจะได้ปล่อยวางได้เวลามันเวลามันอกุศลมันมา มันจะไม่ชอบมันจะทุกข์แล้วมันก็จะทุกกับสัญญาเก่าเลยเจ้าค่ะก็สะแสดงว่ายังไม่มีโอเบคคลายยังมีรักมีชังอยู่สสแสดงว่ายังไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วมันจะเป็นกลางมันจะไม่รักชังกลัวหลงถ้ามันรักชังก็ใช้ปัญญาดึงกลับเข้ามาให้มันไม่รักไม่ชังได้เจ้าค่ะคำถามจะคุณกิติศักดิ์นะครับ เวลาผมบริกรรมแล้วชอบรู้สึกอึดอัดมากๆเลยครับรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดหัวมากเลยผมทำผิดวิธีใช่ไหมครับไม่หรอผิดกิเลกกิเลมันไม่ชอบก็ลองลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ทําไม ก, ก็ลองคาราโอเกะไปก่อนก็ได้ค <c oughs> าราโอเกะนี่มันไม่อึดอัดใช่ไหม <c oughs> ลองได้เป็นชั่วโมงเลยพอไม้พุโทโธพุโทโธนี่มันอึนอดอัด ถ้าพุทโธคำเดียวมันสั้นไปก็ให้มันยาวหน่อยก็ได้อพุทธังสรนนังกัชฉามิสวดมนต์ยก่อนก็ได้อย่างนี้มันก็จะไม่อึดอัดถ้ายังอึดอัดอยู่ก็ต้องลองคาราโอเกะสักเพลงสองเพลงดูแล้วก็กลับมามันก็เป็นความคิดเหมือนกันใช่ไหมเป็นคิดไปในทางเพลงแล้วมันเพลิดเพินกิเลสชอบพอคิดไปในทางพุทโธมันไม่ชอบเพราะมันไม่เพลิดเพลิน มันซ้ำซากมันเบื่อน่ายอะชี้ๆคำถามเยอะครับแต่ว่าอ่าเลือกเอาเลือกเอาที่มันไม่ซ้ํากันนะครับแต่ว่าบางอันมันยาวต้องต้องดูในเครื่องนี้มันก็จะมันลําบากเน่ยครับก็เลยต้องเอาดูตัวที่สั้นๆก่อนไม่เป็นไรละถ้าไม่มีอะไรมากก็หยุดบ้างก็ได้ครับก็คําถามมันก็ถามมาเยอะแยะแล้วซ้ําๆกันเยอะ รับแบบการนี่คือต้องอยู่กี่วันเจ้าค่ะอย่างน้อยที่ที่วัเขาให้อยู่ได้อย่างน้อยสามวันไม่เกินเจ็ดวันต้องไปติดต่อที่วัดยาน น, นาเขามีเบอร์โทรให้โทรไปจองที่พักได้แต่อยู่ในเป็นหอพักนะอยู่รวมกันนุ่มขาวห่วมขาวถือศีลแปดอ้าวมาคนเดียวแล้ววันนี้ มาเอาซองก่อนก่ะเดี๋ยวขึ้นมามถ้าไม่มีคำถามอะไรน่าสนใจก็หยุดก่อนก็ได้ครับถามสิคือผมกับทุกันเนี่ยค่ะผมทำงานเกี่ยวกับการผลิตละคระซึ่งบางทีหาความสุขในการที่ทำละครในแบบที่ที่มันไม่ถูกต้องไม่ได้อ่ผมควรจะหยุด หมายถึงว่าการทำละครนี่ไปทำส่งเสริมให้คนทำบาปทาอะไรยังงี้ค่ารทำตบตีกันซึ่งเราก็ไม่เรารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่สร้างสรรค์ง่ายง่ายๆต่หลักธุรกิจทุกวันต้องการละครแบบนี้ต้นเน่าคนชอบนำเน่าราควรจะคิดยังไงดีคะก็คิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเราถึอว่าเป็นวงการที่ทากับเกล็ครับเต็มที่ ก็มีทางเลือกก็อยากไปทำมันหางานอื่นทอถ้าเราไม่สบายใจเราอยากจะหรือว่าทำสารคดีทำอะไรต่างๆซึ่งมันอาจจะจะไรายได้ไม่ดีสปอนเซอร์น้อยอะไรต่างๆ น, ง น, งนี่แต่ถ้ามันเป็นสารคดีมีประโยชน์อาจจะมีสปอนเซอร์ที่เขากระเป๋าใหญ่เขาอาจจะสนับสนุนก็ได้เช่นทำพุทธประวัติทำอะไร ที่ส่งเสริมให้คนหันเข้าวัดเข้าวา่หาหันเข้ากับการศึกษาปฏิบัติธรรมอะไรทำนองนี้เราก็ยังสามารถที่จะใช้สื่อที่เราทําอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันทวนกระแสนี่ยมั น, นก็จะคงจะยอดคนดูคงยังตกคนที่อยากจะดูธรรมะมันน้อย คนชอบดูของที่มันเป็นปันเทิงของที่เป็นน้ำเน่ากันมากกว่าหรือ ว, ว่าทําใจว่าไอ้อนี้เป็นอาที่ของเราเราก็ทําไปแล้วเราก็เอารายได้ของเรานี่มาทําบุญแต่ที่ตอนนี้ถ้าแบบมองเคยเคยคิดเหบที่หลวงพ่อพูดนะคะเราก็เริ่มเริ่มคุยกับตลาดต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็ต่างประเทศให้ความสนใจกับพุทธศาสนาค่อนข้างมากก็เลยก็เลยอย่าที่หลวงพ่อบอกคือน่าจะไป ทำอะไรที่ที่เหมเาะกับควารู้สึกขาน่าจะดีกว่าก็ดีถ้าทําได้ก็ดีแต่การทําอาชีพแบบ น, นี้ยังไม่ถือว่าเป็นการทําบาปเพียงแต่มันเป็นการส่งเสริมหให้คนนุ่มหลงกับราบยุทสรรเสริญกับเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆแต่ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการฆ่าสั์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประวณีหรืออะไรเราก็ยังไม่ได้ทําบาป ก็ยังเป็นอาชีพที่เพียงแต่อาจจะถือว่าอาชีพไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็ถ้าเรายังจาเป็นจะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ก็ทำไปถ้าเราได้รายได้มากก็เอาไปสนับมาส่งเสริมมาในด้านบุญกุศลไปก็ได้ทำบุญอย่างไรก็ได้ที่เราชอบทำจะช่วยเด็กพิการจะช่วยคนยากคนจนเนอะจะช่วยใครก็เอาไปช่วยเหลือกัน ใจจะได้สบายอย่าเอาไปเที่ยวกันมีคำถามอะไรไหมมีครับอาจารย์ฟอร์เลยนะครับคำถามจากคุณสิทธิ์นีนะครับอาชีพบางอาชีพเสี่ยงต่อการยักยอกทรัพย์ได้ง่ายมากเช่นการเป็นเซลล์มีช่องให้ยักยอกได้มากในเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่าย แต่พอได้มาปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนเรื่องศีล์ห้าเป็นการวัดกำลังใจได้ดีมากถึงแม้มีช่องโอกาสแต่เราไม่ทำอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะเพราะบางคนศีลห้าครบเพราะไม่มีโอกาสได้ทำผิดศีลแต่บางคนมีโอกาสให้ทำผิดศีลห้าคือยักยอกได้ง่ายแต่ไม่ทำอย่างนี้ผลจะเหมือนกันไหมคะเพราะเหมือนต้องใช้กาลังใจแตกต่างกัน ก็ถ้ามันมีข้อสอบมันก็ดีจะได้รู้ว่าเราผ่านแต่ถ้ายังไม่มีข้อสอบเราก็ยังไม่รู้ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านมันต้องมีอะไรมาล่อใจเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่มีก็เลิกได้นะคุณตาไมได้ได้ครับเพราะว่ามันก็ พอสมควรแก่เวลาแล้ววันนี้คำถามเยอะด้วยครับยังก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าต้องการดาวน์โหลดซีดีนะครับเข้าไปที่พระสุชาติ .com ได้นะครับดาวน์โหลดซีดีหรือหนังสือนะครับ